แต่วในช่วงการฤทธิเทียวนี้ก็จะมีการบรรยายและทําความเข้าใจเรื่องสถิปติฐานสูตรรัางที่เป็นวิธีการของหลวงพ่อเทียนและที่ในตาํราราผสมผสานกันไปพอที่แ ล, แล้วมาส่วนใหญ่นะน่าปฏิบัติกันบางทีเราก็ขาดความเข้าใจเมื่อขาดความเข้าใจเราก็ การนําไปใช้ก็ไม่ถูกต้องเมื่อการนําไปใช้ไม่ถูกต้องก็เกิดความไม่มั่นใจเมื่อไม่มั่นใจเราก็ปฏิบัติไม่ค่อยเข้มแข็งนะเมื่อปฏิบัติไม่เข้มแข็งความก้าวหน้าก็ไม่เกิดเมื่อความก้าวหน้าไม่เกิดก็ตัววิชาด้านอวบานก็ไม่ไม่ลดอย่างเห็นได้ชัดนะ ดานั่นเองก็เรื่องของการทำความเข้าใจหรือตัวสมาธิฏิเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องทำให้ชัดเจนไว้สำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติที่นี้จากวิธีการหลงพอเทียนกับสติปัฏฐานสีแบบเคลื่อนไหวเนี่ยกับสติปัฏฐานสี่แบบตัวบทต้องเดินทางไปดำเนินไปด้วยกันอย่าง ผสมผสานกลุ่มกลืนนะมิถ้าหากว่าเราทําแบบเคลื่อนไหวแต่ไม่เข้าใจสติปันสูตรเหมือนกับเราเดินทางมีแผนที่ของเราเองแต่ว่าไม่ใช่แผนที่สากลหรือเราเดินทางตามสติปันสูตรเรามีแผนที่สากลสากลแต่ว่าเราไม่รู้จักทางด้วยตัวเองอมันก็จะไม่อ สามารถให้ทิทางที่ถูกต้องเราอาจจะหลงทางก็ได้ดังนั้นในสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยมันเราบอกว่าทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวเอกายโ น, นมโัคโคสตานังวิสุทธิยาซึ่งในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเดินทางนี้ทางเดียวแล้วเนี่ยมันจะได้อานิสงส มันจะได้พบกับผลที่จริงๆเนี่ยหประการประการแรกคือสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตสัตานังตรง น, นั้นจะต้องพ่วงคำว่าจิตตานังไปด้วยนะหมายความเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตของสัมภัสัตว์ทั้งหลาย ที่ถ้ า, ากว่าเราเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องนะทําให้เกิดอานิสงส์ข้อที่หนึ่งว่าจิตต้องสะอาดหมดจดทีนี้เราก็เจริญสติปัฏฐานสี่กันมายาวนานนะถ้าถามแล้วว่าจิตเราสะอาดหมดจดแล้วหรือยังอมันก็ยังไม่แน่ใจว่าสะอาดหมดจดหรือเปล่าทีนี้ใน หลักประกันของท่านเนี่ยจิตของเราจะสะอาดหมดจดได้อย่างต่ําที่สุด25เปเซนี่ยไม่เกินจปีที่ท่านตัดประกาศเอาไว้ตั้งแต่เจ็ดวันถึงเจดปีจิตของเราต้องสะอาดหมดจดระดับหนึ่งท่านบอกว่าไม่ระดับที่ว่าเมื่ออุบา h ิ i ยังเหลืออยู่ก็ระดับที่ว่าเราจะไม่กลับมา คิดซ้ําซากในเรื่องเดิมๆอีกอหรืออย่างสูงสุดก็คือกระทบแล้วหลุดเลยกระทบแล้วหลุดเลยมีสองระดับขนานั้นแต่ที่นี้เราในเจดปีตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจปีเราสติสติประฐานสูตรว่านี่เราได้ระดับนี้หรือยังระดับแล้วกระทบแล้วเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากระทบแล้วเรื่องนั้นไม่กลับมาอีกเรามีแล้วหรือยัง หรือกระทบแล้วหลุดเลยเรามีเยหรือยังท่านละตัดหลักประกันเอาไว้นะภายในเจ็ดปีเนี่ยอย่างน้อยต้องได้สองอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้สองอย่างนี่ถือว่ายังทําไม่ถูกนะเอาไปตรวจสอบดูเมื่อทําไม่ถูกเราจะทํำยังไงเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เดินใหม่อีกเหมือนกับเดินหลงทาง เ, เมื่อเรารู้ว่าเดินทางไม่ถูกทางเราจะเดินหน้าไปเจอพืชเจอืนมันมันไม่ได้มันหลงไปเรื่อยๆ มีทางเดียวคือจะเดินไปไกลเท่าไหร่ก็ตามต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ถ้าจะเดินไปเรื่อยๆมันก็หลงไปเรื่อยมีใ จ, จตายอย่างเดียวไปข้างหน้านอกจากอืมถึงไม่ตายก็ไม่ใช่ทิศทางที่เราต้องการนะคือถ้าจะว่าไปคือไม่ถึงทิศทางที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้น ในหลักหประการที่ท่านตัดเป็นอนิสงส์เป็นข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยเราจะต้องชัดเจนว่าอประการที่หนึ่งจิตของเราจะสะอาดหมดจดระดับหนึ่งระดับหนึ่งคืออะไรระดับหนึ่งคือสองประการคือจิตไรเรื่องอะไรที่มากระทบแล้วเราจะไม่กลับเอาเรื่องนั้นมาคิดอีกคุงแต่งอีก มันคิดปรุงแต่งไปแล้วในเรื่องนั้นก็ตามแต่ว่าเราจะไม่กลับนำมาคิดอีกเรามีรหรือยังหรือเมื่อกระทบแล้วอันที่สองหลุดเลยกระทบแล้วผ่านเลยกระทบแล้วผ่านเลยเรามีรหรืออย่างนี้อันนี้สมสองประการนี้จะต้องเกิดขึ้นถ้าหากว่าจิตเราสะอาดบริสุทธิ์ระดับหนึ่งจะเกิดอันนี้สองกับสมสองประการนี้และอนนีและผลประการที่สอง ก็คือโศกปริเทวานังทุกขโศกทุกขโกปริเทวานังสมรติกรมายะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัตหมายของว่าทุกข์และความทุกข์คือความไม่สบายกาย โทมนัสคือความไม่สบายใจเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แต่คำว่าทุกขะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจระบุเอาไว้เลยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ข้อนี้ก็ยิ่งต้องพิสูจน์กันว่าคำว่าทุกขะโทมนัสท่านไม่ได้หมายถึงความไม่สบายใจอย่างเดียวความไม่สบายกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยที่นี้เรามาวิเคราะห์กันดูว่า ที่ตั้งแต่เราปฏิบัติมาเนี่ยความไม่สบายกายมาสบายใจของเราเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมนะแต่นี้ไอ้ความไม่สบายกายเนี่ยเอานับตั้งแต่ระดับไหนเ <c oughs> พราะทุกคนก็มีความไม่สบายได้กันทั้งนั้นแหละแต่มันก็ยังตั้งอยู่ได้อยู่แต่าตั้งอยู่ไม่ได้เข้าใจว่านะเข้าใจว่าความไม่สบายกายเนี่ยคือมันเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้นาน เพราะอะไรเพราะความไม่สบายกายเรานับตั้งแต่เวทนาขึ้นไปกายกับเวทนาความไม่สบายใจนับแต่เรื่องจิตกับอารมณ์นะมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่ามันยังตั้งอยู่ได้อยู่เพราะอะไรนะเราได้นำเอาสติที่ท่านได้กล่าวแล้ว อาตาปีสติมาสัมปชาโน่เนี่ยเข้ามาแก้ไขเลยอย่างถ้าเรายังไม่ได้นําเอาอาตาปีสติมาสัมปชาโน่เข้ามาแก้ไขหมายความความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็ยังตั้งอยู่อ่ามันก็ยังตั้งอยู่ทีนี้ถ้าถามว่าเมื่อความไม่สบายกายไม่สบายใจมันตั้งอยู่ถามว่าเราปฏิบัติสติปัฏฐานถูกไหมถูกเหมือนกันแต่ยังไม่ร้อเปอร์ต เราจะทำยังไงให้มันตั้งอยู่ได้น้อยที่สุดจนกระทั่งนตั้งอยู่ไม่ได้ก็คือเวทนาทางกายเป็นตัวเหตุให้เกิดความไม่สบายกายมันตั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันตั้งอยู่ไม่นานนะหรือตั้งอยู่ไม่ได้ทำไมถึงตั้งอยู่ไม่นานเช่นเรานั่งแล้วปวดขาเงี้ยถ้าปวดขามันตั้งอยู่ได้นานก็แสดงว่าสติสัมผั ย, ยะมันก็ยังไม่ถูกนามาใช้ แต่ถ้าสตี ม, มิ่งยะมันเกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของรูปของนามมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถูกแก b b ้ไขบังบัายเสก่ อ, อนนิวรณ์ทั้งหลายมนันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันถูกแก้ไขไปเสียก่อนนี่ตอนนี้สาเหตุที่มันตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพราะมันเกิดอตัว คุณธรรมอย่างอื่นนะแต่ตัวคุณธรรมสามประการคืออาตาปีสติมาสัมปชานุเนี่ยม่จะทำให้ตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถามว่าที่แล้วมาเราได้ใช้คุณธรรมสามประการนี้ถูกต้องหรือยังสมบูรณ์หรือยังถ้าไม่สมบูรณ์ความไม่สบายกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถามว่าเอ้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหธรรมชาติเราไม่ได้ปฏิเสธการเกิดขึ้นของความไม่สบายกายแต่เรายอมรับถึงการจัดการถึงความไม่สบายกายนีได้ เพราะงั้นนี่คือเป็นพุทธพจน์ถ้าสมมุติว่าพุทธพจน์ตัวนี้ไม่ใช่ไม่จริงเนี่ยมันก็ถือว่าสิ่งที่ท่านกล่าวเขียนมานี่มันผิดก็ต้องมีการตรวจสอบผิดจริงหรือเปล่าหรือเราทําไม่ถูกเราถึงไปเราถึงไปบอกว่าตัวบทมันผิดนะอันนี้ต้องมีการตรวจสอบพิจารณา อย่างจริงจังไม่ใช่สวดกันเป็นนกแก้วนกคุณทองผ่านแล้วผ่านเลยแต่เมื่อเคยนำตัวบทมาไม่เคาะวิจัยมาตรวจสอบพิสูจน์เนี่ยเราก็ไม่ได้ผลถึงสติปันสีเท่าที่ควร น, นะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติสติปันสูดได้ถูกต้องเนี่ยต้องมีหัวใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งคือต้องเป็นผู้ที่เข้าไปพิสูจน์วิใจัยในสิ่งที่เกิด ความไม่สบายกายคือทุกขโ์โทความไม่สบายใจคือโทมนัตความไม่สบายกายคือทุกข์ัดทุกข์ัดโทมัตเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอ า, าความไม่สบายใจอย่างเดียวเนะี่ยไม่ไหมายถึงความไม่สบายกายนะจะไม่มีคำสองคำนี้ก็จะมีคาใดคาหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้คาว่าทุกขโขอาจจะคาว่าโทมนัตโสคาใดคำหนึ่งแต่นี่ท่านใช้ทั้งสองคเลย นะถามว่าตัวทุกขโทมนั์อย่างนี่วอเนี่ยถือว่าเป็นทุกขโทมาัต์ไหมเป็นทั้งทุกขด้วยเป็นทั้งโทมนั์ด้วยความทุกขตรงที่ว่าทำให้ร่างกายผิดปกตินั่งสงกประงากไปร่างกายผิดปกติไม่สบายกายโทมานต์ก็คือความารู้สึกไม่ปกติเนี่ยนั้นคือความไม่สบายใจมันถึงได้ง่วงเหงาแล้วถามว่ามีไหมมีแล้วมีแล้วทาไมไม่แก้ไข ก็เพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกเราถึงไม่เกิดการแก้ไขถ้าเราปฏิบัติถูกความนิวรณ์ห้าความเงาห้องนอนมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่ลีนี่เราดั่งนั่งสปังงกสปงงักได้เป็นวักเป็นเวทก็แสดงว่ามันตั้งอยู่ได้อยู่นี่อันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันว่าไ อ, อ้มันเป็นยังไงฉะนั้นคําสอนพุทธิยถาเป็นสวาขาตธรรมทุกบททุกตอนต้องได้รับการพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงไม่ใช่ท่านมาตั้งไว้โกโ ก, โก้อย่างนั้นไม่ใช่ มันจะต้องเป็นสวาคาตธรรมคือได้ทดสอบได้พิสูจน์แล้วท่านคือมาตั้งเป็นบทเป็นสวาคาตธรรมดังนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะเอาตัวแก้ไขมาแก้ไขตรงนี้ได้ตัวแก้ไขท่านตั้งไว้ไม่มากแค่สามอย่างคืออาตาบีสติมาสัมปั ญ, ญานเท่านั้นไม่ได้สลับซับซ้อนเลยแต่ว่าเร า, เาบูรณาการใช้หรือเปล่า คำว่าบูรณาการหมายของเอาสามตัวเนี่ยมาผสมผสานกันใช้พร้อมกันไม่ใช้ใช้ทีละอย่างเออตอนนี้ใช้อัตราปีนะเออตัว น, นี้ใช้สัมปชา ن โนตอนนี้ใช้สติมานีิอันนี้เรียกว่าไม่มีการบูรณาการคำว่าบูรณาการคือมาผสมผสานใช้กันอย่างเราถือมีด ต, ตัดไม้เนี่ยเราทําแบบบูรณาการไม่ใช่ทําแบบทีละอันคําว่าบูรณาการหมายความว่ามีมันีองค์ประกอบคือหนึ่งมันมีคม สองมันมีสรรสา ม, มันมีด้านสี่มันมีผู้ถือห้ามันมีแรงที่กระทำลงไปทั้งห้าประการเนี่ยมันทํางานพร้อมกันไอการที่องค์ห้าประการทํางานพร้อมกันท่านเรียกว่าบูรณาการหรือฮลิสติกนะไอการที่ทั้งอาตาปีสติมาสัมปชโนทํางานพร้อมกันเนี่ยเรียกว่าบูรณาการาเมื่อมันบูรณาการแล้วมันจะเข้าไปแก้ไข ตัวทุกข์กระทมนัดให้ออกไปได้แต่ในกรณีที่ทุกข์ความไม่สบายก็ยังอยู่ความไม่สบายใจก็ยังอยู่แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งสามตัวมาบูรณาการใช้อย่างถูกต้องนิวรังก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะง่วงได้ทั้งปีทั้งชาติฟุ้งซ่านได้ทั้งปีทั้งชาติหงุดหงิดได้ทั้งปีทั้งชาติ <c oughs> นะแล้วก็สงสัยได้ทั้งปีทั้งชาติอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ บูรณาการทั้งสามตัวเข้ามาเลยแล้วเราจะเรียกว่าเราจเจเลยสติปัฏหานสี่ถูกต้องได้อย่างไรตอนนี้มันเป็นสิ่งที่นักกรรมฐานของเราต้องตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราเอามาบูรณาการใช้แล้วเราก็ยังใช้ไม่ได้นั่นก็แสดงเราพยายามแล้วพยายามอีกแต่ยังไม่ใช้ไม่ได้ร้อยเปเซนตนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีอะไรผิดพลาดนั่นคืออินทรีย์ของเราไม่เข้มแข็งพอ เราก็ต้องพัฒนาอินรีย์ของเราเหมือนเด็กคนหนึ่งอายุมันห้าขวบแล้วใช้ให้มันไปนยกย้ายก้อนหินหรือ ย, ยกย้ายกระสอบข้าวซึ่งหนักสักห้าสิบกิโลนะมันก็พยายามเหลือเกินแต่ว่ากระสอบหรือก้อนหินคนนี้ไม่ขยับขยื่นเลยทีนี้จะว่าเด็กคนนี้มันผิดไหมไม่ผิดแต่กําลังมันไม่พอนี่จะทํำยังไงที่จะเด็กที่เด็กคนนี้จะ ขนข้าวสารถุงนี้ห้าสิบกิโลเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ถ้าเด็กคนนี้ฉลาดก็คือต้องขนไปทีละนิดตามกำลังของตัวเองแต่ถ้าเด็กคนนี้ไม่ฉลาดก็คือรอให้ตัวเองโตซะก่อนจนอายุสิบขวบยี่สิบขวบสามารถจะยกกระสอบข้าวนี้ไปได้อันนี้เขาเรียกแบบไม่ฉลาดมันมีวิธีจัดการอยู่นะ ถ้าวิแบบไม่ฉลาดก็คือแบบสมร tha มันไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าวิธีแบบวิปัสสนาก็คือกระสอบข้าวเดี๋ยวี้ถึงมันจะหนักห้าสิบกิโลแต่ถ้ามันย้ายไปทีละกิโลมันก็ยอมเสียเวลาห้าสิบเที่ยวมันก็เอาข้าวย้ายข้าวนี้ไปสู่เป้าหมายได้พอเด็กนีห้าขวบเนี่ยหิ้วของหนึ่งกิโลเนี่ยมันเป็นไปได้ล้วหรือว่าเอาสิเจ็ดขวบหรือสิบขวบก็ได้นเพิ่มขึ้นไปแต่ว่า ไอสิ่งที่เขาจะยกจะต้องเกินกําลังเขาแ น, น่นอนแต่จะทำยังไงให้สิ่งที่เขาจะนําไปอยู่ในกําลังของเขานี่เรียกว่าการปรับปรุงอีซีปรับอินรีย์ะ น, นั้นในแง่คําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ว่าเราจะทําเป็นหรือไม่เป็นนี่คือทางออกของเรานะนั่นเราจะบอกโอ้อิซีของเรายังอ่อนเราไม่สามารถเอาชนะนิวรนได้อ่า อันนี้ก็จะพูดแบบอย่างนี้ก็ไม่ถูกเราก็เอาชนะได้แต่ชนะตามกำลังของเราสมมติว่าตัวง่วงเนี่ยเมื่อก่อน on, อีซีเราอ่อนจริงจริงเรากวจะเอาชนะมันได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่พอเรามีบูรณาการในเงื่อนไขสามข้ออย่างถูกต้องเราก็อาจจะลดจำนวนเวลาเหลือลงมาแทนที่จะนั่งสักชั่วโมงอาจจะเหลือสักครึ่งชั่วโมง เราทมาพัฒนาอีซีของเราขึ้นไปอีกตั้งใจอีกพยายามใช้ไปสาตัว น, นี้อีกแทนที่มันจะเหลือจะขึ้นชั่วโมงอาจจะเหลือสักสินาทีเราเข้พยายามต่อไปอีกปฏิบัติไปอีกต่อไปอีกแทนที่จะเหลือ15นาทีมันเหลือแค่5นาทีง่วงแป๊บเดียว5้านาทีแทนที่มันจะเหลือ5นาทีเราบูรณาการาพยายามใช้มันอีกแทนที่ง่วง5้านาทีมันเหลือ1นาที เห็นไหมอันนี้คือการบูรณาใช้กําลังปรับใช้กําลังอย่างถูกต้องมีการปรับอินทรีย์ห้องโดนตามแต่อันนี้เราถ้าเราไม่ชัดเจนในแง่สิณิพัทธ์สูตรในการแก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะนั่นเรียกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องในฐานะเป็นแบบเป็นนักพิสูจน์หรือนักวิทยาศาสตร์ทางนมามธรรมแล้วนั่นเองในเรื่องที่แล้วแล้วมาเนี่ยมันไม่ค่อย ชี้แจงแก้ไขให้กว้างขวางก็ถือว่าปฏิบัติอย่างเดียวเดี๋ยวก็เข้าใจเองเดี๋ยวไปเอามามันไปคนละทิศละทางก็เพราะขาดการทำความเข้าใจดังนั้นเองในช่วงภายในเจ็ดวันนี้เอามาจะลองทำเรื่องนี้ดูเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีอุปรสรรคจะโดยละเอียดหรือไม่เนี่ยแล้วแต่สติปัญญาและความสามารถที่มีอยู่นะฮะ เพราะโดยเฉพาะในช่วงหรือที่เจ็ดวันเราเน้นที่ที่ที่พระนะญาตโยมก็ถือว่ามาร่วมมาแจม <c oughs> และตามกําลังสติปัญญาแล้วก็เวลาของตัวเองทีนี้มาดูข้อต่อไปนะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศขและความลําไหลลําพันโศกกระปริเทวานังอัดถังขมายะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่ง ความสุขและความร่ำไวยรํำพันธ์เงื่อนไขข้อที่สามนะเงื่อนไขข้อที่สามของการเสด็จสินิประธานสุดหมายความว่าอย่างไง <c oughs> แล้วก้าวล่วงได้หรือยังความสุขเศร้าพี่ไร่รํำพันธมันก็เนื่องมาจากข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเราจะเห็นว่า คำสอนของผู้เผยพเจ้าเนี่ยไม่ได้ทิ้งขาดกันข้อใดข้อหนึ่งมีมีเหตุผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเสมอข้อที่สองมีได้ก็เพราะข้อที่หนึ่งเพราะจิตไม่บริสุทธิ์ก็ก่อให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนะฮะเพราะความไม่สบายกายไม่สบายก่อให้เกิดความสุขเศร้าพิไลรำพันเห็นไหมสัมพันธ์นกันไม่ได้ทิ้งขาดกันเลยเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่นั้นธรรมะคําสอนผู้เผยพระเจ้าไม่ว่าฝ่าย ลบหรือฝ่ายบวกไม่ว่าฝ่ายกุศลนกุศลบูรณากา ร, กรทั้งนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กระทั้งนั้นที่มันจะเกิดก็เรื่องมีเหตุปัใจจัยให้เกิดเกิดด้วยเหตุปัจจัยเราใช้คําว่าปัจจัยาการหรืออิทัิปัจจัยตานี่คือหลักคำว่าวบูรณ า, าการของคําสอนพระุทธเจ้าทีนี้ไอตัวที่ว่าเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้ เ, เพื่อความเพื่อการก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความพินัยลําพันธ์จ ความสุขความพิลาเอโนเกิดมาจากความไม่สบายนั่นเองถ้าคนเราสบายเรื่องอะไรมันจะไปเศร้าสุขพิลาเอลพันธ์เพราะความไม่สบายอะไรไม่สบายกายไม่สบายใจจึงเกิดความสุขเศร้าพิลาเอลพันธ์นะเกิดความล่ำขรัมครวญทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงคําว่าสุขเศร้าพิลาเอลพันธ์ในแง่ดีกรีสูงสุดก็คือแสดงออกทั้งกายทั้งใจก็มีการฟูมไฟล้องให้มีการแสดงอาการสุขเศร้าให้ปรากฏ อย่างนี้เขาเรียกว่าดีกรีสูงสุดถ้าแบ่งเป็นระดับระดับห้าระดับระดับสูงสุดคือฟูมไฟลร้องไห้คร <c oughs> ่ำครวญในการสูญเสียสูญเสียลูกผัวสูญเสียสมบัติสูญเสียลูกเม่สูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนที่รักเกิดการฟูมไฟสส ล, ล์โศกเศร้าพิลัยลำพันธ์อันั้ปรากฏร้อยเปอร์เซ็นทีนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ย ความสุขเศร้าพิไรลำพันธุ์ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไห น, นก็คือเอาเรื่องความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจมามาคิดมาปรุงบ่อยๆ่เช่นเราไม่สบายใจเพราะลูกเราก็เอาเรื่องลูกความไม่สบายเรื่องลูกมาคิดบ่อยๆนั่นก็เรียกสุขเศร้าพิไรลาพันธ์ในระดับของผู้ปฏิบัติ หรือเราไม่พอใจใครคนหนึ่งแล้วนําเอาเรื่องของคนคนนั้นมาปรุงแต่งแล้วมาปรุงแต่งอีกนี่คือความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ในระดับนักปฏิบัติแต่ถ้าหาาความโศกเศร้าในระดับของชาวบ้านผุุ้ชนธรรมดาก็คือแสดงออกทั้งกายทั้งใจคือฝูงฝ่ายร้องไห้เสียใจคล่อมครวญป น, นเพอลำพันธ์อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งภายนอกและภายในแต่ถ้าเป็นความโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ในระดับนักปฏิบัติ ก็ขึ้นอยู่ว่านักปฏิบัตินั้นเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไปอยู่ระดับไหนถ้าระดับหยาบๆก็คือนําเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาครอบครัวมาปรุงมาแต่งมาวิเคราะห์วิจัยมาวิจารณ์รอบแล้วรอบเล่าจิตใจเศร้าหมองนั่นคือนในระดับนักปฏิบัติแบบหยับๆนักปฏิบัติแบบ ก, กลางๆเข้ามาก็อาจจะเรื่องนั้นนเรื่องที่เราไม่พอใจมันแว บ, บเข้ามาเป็นพักๆ พ, พักหนึ่งก็สั้นบ้างยาวบ้าง อันนี้ก็เป็นความโศกเศร้าพิไรลำพันเราก้าวล่วงมันได้หรือยังเราข้ามาข้ามมันได้หรือยังหรือนักปฏิบัติแบบมีความชิชนชํานาญขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องเต็มที่ยังไม่บูรณาการใช้อัตตาปีสัมปชนันอย่างถูกต้องเต็มที่ก็คิดปรุงแต่งเมืันกันแต่ไม่นานแวบบเผอไม่ได้เผยกเข้าเรื่องเก่านะแวบบขึ้นมาอีกไม่ชอบหน้าใครสักคนเผยไม่ไแวบบขึ้นมาอีกอ่าอันนี้เรียกว่า ความสุขเศร้าพิเรนผิกก็มีหลายระดับระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจอินทรีย์ของผู้นั้นอยู่ในระดับใดความเข้าใจสถติปัญญาของคนนั้นอยู่ในระดับใดภูมิธรรมของคนนั้นอยู่ในระดับใดตัวสุขเศร้าพิลรนผริก็จะมีความหยาบละเอียดตามลำดับของภูมิธรรมของเราอันนี้ในอานิสงส์ข้อที่ ผลข้อที่สามทีนี้มาดูข้อที่สี่ท่านบอกว่าญาแสาธิคมายะเพื่อความการเข้าถึงซึ่งธรรมอันโหนเข้าถึงการบรรลุธรรมถึงซึ่งธรรมอันควรบรรลุการเข้าถึงใหญ่ญธรรมนะในข้อนี้ฟังยากทีนี้ในแง่ของอความหมายก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเพื่อบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุ ทีนี้ไอ้ทำคนบรรลุในระดับไหนนะในสังสะหข้อเนี่ยเป็นฝ่ายลบใช ส, สามเป็นฝ่ายบวกใช่สองอการเป็นอาจจะไมเจนสติปัฏฐานสีได้อย่างบุรณการได้าสามข้อได้ถูกต้องเนี่ยมันจะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่เราควรจะคำว่าควรจะเข้าถึงมากกว่ามันมัน อ, อยู่ในกำลังของภูมิปัญญาของเราจะ รู้ได้เห็นได้อยู่ในกำลังของความสามารถของเราจะรู้ได้เห็นได้เช่นว่าเมื่อเราปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนแบบเคลื่อนไหวเนี่ยสิ่งแรกที่สุดคนจะรู้คนจะเข้าถึงได้ก็คืออารมณ์ม ร, มรูปนามเนี่ยทีนี้ในอารมณ์รูปนามเนี่ยถ้าหากว่าเรา บูรณการอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะเห็นยังไงเราใช้ความพยายามแล้วพยายามอีกแต่เจริญสตินั่งเคลื่อนไหวด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอย่างกลมเกินถูกต้องเนี่ยการรู้จักรูปนามบอกว่าตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามวันมันจะรู้แต่ถ้าเกินสามวันไปแล้วนี่มันคือรูปนามแบบสมมติอะมันภายในสามวันมันจะรู้แต่รูปนามโดยปรมาจิตเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน นะเพราะรูปนามมีสองระดับระดับสมมุตริระดับปรมัตต์ระดับรู้ได้ไงว่าอันนี้ระดับสมมุตริรูปนามระดับสมมุติคือไปเกี่ยวข้องกับกายมากเกี่ยวข้องกับรูปมากอยู่นะหมายความว่าจิตของเราไปวุวนเกี่ยวกับเรื่องรูปอย่างเกี่ยวข้องกับกายเนี่ย ไม่ใช่เป็นนึกถึงกายของเราเป็นนั่นเป็นนี้แต่นึกถึงเวทนาที่เกิดกับกายถ้าพูดถึงกายต้องพ่วงเวทนาเข้าไปด้วยเพราะตัวเวทนาเป็นตัวชี้บ่งว่าเรามีกายถ้าเราไม่มีเวทนาเป็นตัวชีบ้บ่งเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีกายเพราะนั้นถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเวทนาไปยึดติดเวทนาแต่สําคัญมันหมายเวทนาว่าเป็นเราอยู่มันก็รูปนามหรือรูปนามมันก็แต่ในขั้นสมมติว่าเวทนานี้เป็นเรา แต่เมื่อใดเราบูรณาการสามข้อเนี่ยอาตาปีสติมาสัมมัชาโนอย่างเข้มข้นมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็เหมือนกับเราเขี่ยวกะทิในเบื้องต้นเนี่ยมกะิมันก็ยังเป็นกะิอย่างเข้มข้นอยู่แต่พอเขี่ยวไฟต่อเนึ่งไฟเข้มแข็งต่อเนึ่งเข้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมอกะทิเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของมันก็คือมันเดือด มันร้อนไอ้ความเดือดมันร้อนอย่างต่อเนื่องเนะี <c> ่ย <oughs> มันก็ไอ้ตัวกะทิก็สลายไปน้ํามันก็ปรากฏขึ้นตัวขึ้นเลื่อยเยความต่อเนื่องยังอยู่ตราบใดการแปลกะทิเป็นน้ำมันก็ปรากฏขึ้นตราบนั้นความต่อเนื่องของความเพียรและสติสัมยาที่ถูกต้องต่อเนื่องยาวนานอยู่ตราบใดการแปลเปลี่ยนอารมณ์จากเวทนา ให้เป็นปัญญาก็ปรากฏมากขึ้นขนาดนั้นแปลเปลี่ยนเวทนาที่มันเป็นอยู่ในรูปของสัญญาก็แปลเป็นปัญญาได้มากขึ้นเมื่อปัญญามากขึ้นนั้นหมายความว่าเราจะเริ่มเห็นกายของเราเวทนาของเราเนี่ยมันเป็นสัตวามากขึ้นมันยังมันไม่เป็นเราละมันเป็นสัตวากายมันเป็นสัตวาเวทนาอันนี้เราต้องไม่ลืมหลักท่าหลักมันคือต้องมองให้เป็นสัตวให้ได้ ส่วนไอ้ความรู้สึกสักตว์ากายเวทนานเนี่ยมันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อาดาปปีสติมานะต่อเนื่องแค่ไหนแต่ถ้าอายุของการเข้าไปรู้รูปรู้นาม ร, ร, ร, ร, รู้กายเวทนานเป็นสัตววาสั้นก็หมายความว่าอํานาจของความเพียรหรือสติสัมยะยังไม่เข้มแข็งพออ่ะ ถ้าเปผส ม, มนกะทิกับ น, น้ำมันก็ยังปนกันอยู่มีทั้งน้ำมันมีทั้งกะทิปนกันอยู่อย่างแยกกันไม่ชัดเจนหน้าที่ของเราก็ทำไงต้องเล่งไฟต่อไปรักษาความต่อเนื่องของไฟต่อไปรักษาความต่อเนื่องของความเพียรต่อไปดังนั้นในวิธีการของพุทธิ น, นี่ความต่อเนื่องของขอ ง, ของความเพียรจึงเป็นกุญแจที่สําคัญดังนั้นอาดามาก็เลยสรุปเป็นหลักสั้นๆว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้อง ก็คือสรุปมาจากหลักของอีสีห้าพระห้าจริงจังตั้งใจไปเรื่องของศรัทธาและความเพียรต่อเนื่องไ ป, ไปเรื่องของสติและสมาธิแต่ถูกต้องเป็นเรื่องของปัญญ า, าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องถ้าทำหลักการอันนี้ได้อย่างาเป็นจริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรูปนามที่มันเป็นสมมติอยู่มันค่อยแปลงเป็นปรามัดทีละนิดละนิดคาว่าปรามัดในที่นั้นคือจะ ทำให้เราเห็นเนืรูปและเวทนาหรือกายและเวทนาเนี่ยเป็นสัตวว่าได้มากขึ้นได้ยาวขึ้นนะแต่ถ้าเมาื่อใดเรายังเห็นว่ากายเวทนาที่ปรากฏว่ากูปวดกูเจ็บกูสบายกูไม่สบายหรือว่ายังมีกูอยู่ยังมีอัตราตรัวตนอยู่ในนั้นเนี่ยคําว่าสัตวว่าน้อยลงไปแสดงว่าการบุรณาการของ เจ้าสามตัวเนี่ยคืออาตาปีสติมาสัมปชโนยังไม่แก่กล้ายังไม่เข้มแข็งคือยังไม่จริงจังไม่ตั้งใจไม่ต่อเนื่องไม่ถูกต้อง น, นองต้องกลับไปตรงนั้นเสมอเราจะเห็นว่าหลักพุทธธรรมเนี่ยมันมีกฎกติกา ท, ท, ที่ที่ล็อกในตัวของมันเสร็จนะพราะทําอย่างนี้มันจะเกิดอย่างนี้พราะทําอย่างนี้เกิดพ่อไม่ทำอย่างนี้จึงไม่เกิดอย่างเนี้ยมันจะล็อกกัดตัวในเสร็จ ดังนันการปฏิบัติในสติปัฏฐานสูนี่ถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วมันสนุกนะไอ้คำว่าทุกข์มันก็จะค่อยหายไปเนี่ยอันนี้ในหัวข้อที่สามที่ว่าเราจะรู้ทำอันเราคนจะรู้เราจะเห็นทำอันเราคนจะเห็นถึงในระดับรูปนาเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่ยากที่จะรู้จะเห็นเนี่ยนะร่างกายที่มันตึงมันเข่งมันไหวมัน อ่าไม่สบายไม่สบายไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้เลยเป็นเรื่องง่ายใครๆก็จะรู้แต่เราจะตั้งใจรู้มันจริงจังไหมอ่าเราจะตั้งใจรู้มันต่อเนื่องไหมและเราจะตั้งใจรู้มันอย่างถูกต้องไหมตรงนั้นต่างหากที่มรรติเป็นสติประฐานขึ้นมานั้นเบื้องต้นเนี่ยรู้ทำอันเราพึงรู้เนี่ยรู้ไปตามลําดับไม่ใช่ไปรู้ทีเดียวทะลุถึงนิพพานไม่ใช่แต่ในเมื่อเรารู้ทำไปตามลําดับ จากลูกนามเป็นนามรูปจากนามลูกเป็นนามลุ่นล้ว น, วนจากนามลุน้วนเป็นปรมามิตามลําดับขึ้นไปในที่สุดมันก็จะมาเกิดอั น, นิี้ส่งข้อที่หคือนิพพานสะสจิกรณัตถายะ น, นิพพานสะสจิกริยายะเพื่อการทําพระนิพพานให้แจ้ง อ, อั น, นิี้ส่งข้อเี้ยคือเมื่อทําได้เกี่ยวทั้งสข้อมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย เข้าใจอย่างถูกต้องตามระดับแล้วเนี่ยการทําพระนิ่พานให้แจ้งให้มันจะปรากฏคำว่านิพานในที่นั้นหมายความว่าจิตของเราดับจากการปรุงแต่งสงบจากการปรุงแต่งอกายของเราสงบจากเวทนามากที่สุดเท่าที่จะมากได้จิตของเราสงบจากการปรุงแต่งทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันในรายละเอียดอยีกเยอะว่า เพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยถ้าพวกเราไม่เข้าใจรูปนามมาก่อนเราก็จะมาเข้าใจว่านิพพานคืออะไรนิพพานตามหลักก็คือสภาพที่จิตไร้การปรุงแต่งและไร้การเสียดแทงแปลว่าดับการปรุงแต่งก็ได้นิพพานแปลว่าดับเยื่อเย็นจากการปรุงแต่งดับจากการปรุงแต่งไร้สภาวะการปรุงแต่งเข้ามาเสียดแทงจิตแล้วจะทําเรื่องนี้ให้ปรากฏนะ นั่นหมายความว่าการกาหนดจุดจ่อต่อเนื่องอยู่ในภาวะปัจจุบันมันจะต้องเข้มแข็งจริงๆตัวนี้ถึงจะปรากฏเพราะฉะนั้นในหลักที่ว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยไม่ใช่หลักที่ว่ า, าลึกลับซับซ้อนสูงสุดจนเราเข้าถึงไม่ได้จนเราเข้าใจไม่ได้ไม่ใช่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็แสดงผู้ที่ความพูดเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็จะไม่เห็น น่ผ่านคือนึ่งวันวนว่นอยู่ไกลๆข้างหน้าบุญวาสนาบารมีแล้วพอเราไม่พอเราคงเข้าไม่ถึงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าประการสาคัญเราได้ทาทั้งห้าประการเกี่ยวข้องสัมผัสกันมาถูกต้องไหมย้อนไปที่ตรงนั้นอีกย้อนมาว่าจิตของเราหมดจดจา ก, การปรุงแต่งหรือเปล่าความไม่สบายกายไม่สบายใจถูกจัดการได้ถูกต้องหรือเปล่านะแล้วก็การปรุงแต่ง ภายในที่เรื่องความสุขเศร้าพิไรลําพันธุ์ทุกระดับเนี่ยเราได้ทําให้มันลดลงหรือเปล่าต้องย้อนไปตรงนั้นถ้าสมมติว่าการทําพันิพันเรายังสงสัยอยู่มันแจ้งหรือไม่แจ้งต้องย้อนไปดูสีข้อขงต้นและทําอันควรเราจะรู้ตามลําดับยายยะสัติคมายะเนี่ยตามขั้นตอนของแต่ละสูตรแต่ละหลักการเนี่ยเราได้เห็นชัดแจ้งเข้าใจตามลําดับจะใช้ถูกหรือเปล่าย้อนไปตรงนั้นเมื่อย้อนไปนั้นมันถูกต้องหมดนิพันธ์มันปรากฏเอง แต่ย้อนไปดูทั้งสี่ข้อเบื้องต้นแล้วมันไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องสับสนก็การทํานิพพานให้แจ้งก็ยังไม่แจ้งแลยทีนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นั่นเองนนั้ น, นเรื่องนี้จึงอยากจะให้เราได้มีการศึกษาตรวจสอบอย่างถูกต้องอไม่ใช่นั่งทําไปทํำไปเหอเดี๋ยวมันรู้เองเนี่ยไอ้ทีษฎี่นี่ควรจะเลิกกันได้แล้วแต่ทําด้วยความเข้าใจ นะอะไรเป็นอะไรทำด้วยความเข้าใจว่ากําลังทําอะไรและขณะที่ทําเนี่ยใจเราอยู่ตรงไหนกายเราอยู่ตรงไหนเข้าใจกายถูกหรือเปล่าเข้าใจใจถูกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบนะลองตรวจสอบความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นกุญแจตัวที่สําคัญทีเดียวเพราะมันไปเป็นด่านแรกที่เราจะต้องเจอนะดัว ตัวไม่สบายอ่ามันเป็นหลักของอะไรทํามจึงเกิดความไม่สบายก็เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎของมันกฎของรูปนามคืออะไรก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงต้องเสื่อมสลายแ้่ก็ไรสภาพที่เป็นเองมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายไรสภาพที่เป็นเองมันไม่มีตัวของมันมันต้องอาศัยกันมันถึงจะมี เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเขาเรียกอนัตตาเพราะนั้นความสัมพันธ์หลักของอนัตตากับปฏิสุวรหรือปัจจัยการจึงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนะเช่นเรามีรูปเราก็จะต้องเป็นไปตามกฎของนิจังูุขังอนัตตาแต่ทีนี้จะทําให้จิตของเราเนี่ยไม่ให้เป็นรูปให้มันเป็นนามแต่การที่จะผ่านไปสู่นามล้วนๆได้มันต้องผ่านด่านของนามมารูปเสียก่อน นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความคิดปรุงแต่งอยู่กว่าจะนําไปสู่สัจธ่รม ว, วรู้เนี่ยมันก็ต้อง <c oughs> คิดปรุงแต่งตามอารมณ์ของรูปอยู่ดังนั้นลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นตัวของทุกข์และโทมนานะจึงสัมพันธ์กันเช่นเวลาเราปวดหลังปวดเอวถ้าเราไม่รู้รูปนามเราก็คิดว่าฉันปวดฉันไม่สบายฉันเมื่อยที่ได้รู้ว่ามันเมื่อย เราก็ย้อนไปดูว่าทำไมมันจึงปวดจึงเมื่อยและความปวดเมื่อยมันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่บูรณาการทั้งสามตัวคืออาตาปีสติมาสัมปะชาโนเราจะแก้ไขจุดนั้นยังไม่ได้ความปวดเมื่อยก็ยังตั้งอยู่ได้แต่ในหลักเขาบอกว่าเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้ความไม่สบายกายไม่สบายใจไอ้ที่มันตั้งอยู่ได้อยู่ก็แสดงว่าไอ้การบูรณาตัวนั้นยังไม่ครบถ้วนนะตรงนี้แหละมาถึงบอกว่าอยากจะทาให้มัน ชัดเจนน่ะว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่จะปฏิบัติไปสามปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีอารมณ์ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็แสดงว่าเราใช้หลักตรงนี้ไม่ถูกต้องแล้วเลยจะบอกว่าวาสนาบา ร, รมีฉันคงไม่พอปัญญาฉันคงไม่พอไม่ใช่แต่เราขาดการความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้นเองคือขาดมรรคอันที่หนึ่งซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องใช้การเวลามากมาย อย่างในครั้งพุทธการเราจะเห็นว่าบางท่านอย่างอญญานยากุนิยะฟังไม่ถึงสามชั่วโมงเนี่ยก็ท่านก็ยังเห็นเลยรูปนามนะแล้วนี่เราใช้เวลาห้าปีเจ็ดปีสิบปีเรายังไม่แจ่มแจ้ ง, จงยังสงสัยอยู่เนี่ยมันไม่เชื่อธรรมะ ม, มันผิดเราก็คงจะเดินทางผิดแน่และต้องกลับมาตรวจสอบแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น นิพานัสนิพานัสนิพานัสัจิกิริยายะเพื่อการทําพระนิพพานาให้แจ้งจึงเป็นตัวผลสรุปที่สําคัญเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งสี่ข้อที่ผ่านมาสัตตานังวิสุทธิยาทุกขโทมานัสสานังอัตถังคมายะโสกับริเทวานังสมติกมายะยายสาสัตธิขมายะนิพานัสัจิกิริยายะต้องสัมพันธ์กันเป็นเป็นลูกโซ่ทีเดียวนะ นั้นการบูรณาการที่นี้มาดูตัวเวลาเราส <c oughs> วดอะอาตาปีเสลวสวดกายเยกายานุปัสสิวิหาราติอาตาปีสาตาสิมาสสัมปชานญวินายโลกเกอภิชาโทมนาสัง่งนะว่าเมื่อมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ เธอมีความเพียรเครื่องเผาบามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติย่อมนำความพอใจและความไม่พอใจในใจนี่ออกเสียได้ในกายในใจนี่ออกเสียได้วินัยโลกอพิชชาโทมนัตภิชชาและโทมนัตเห็นไหมสองคำนั้พิชาคือความพอใจโทมนัตคือความไม่พอใจอมันมันต่างกัน ตัวทุกขโทมนัตแต่ น, นี่มันใช้สุด ท, ท้ายท่าใช้กับอภิชาและโทมนัตอันนั้นอันข้อเบื้องต้นมันเป็นเหตุนะคือความไม่สบายกายถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันจะนําไปสู่ความไม่สบายใจนั้นเบื้องต้นที่ให้รู้ลูมนามเพื่อรู้เท่าทันกายซื้อก่อนนะรู้เท่าทันกายโดยการไอการรู้เท่าทันกายคือ ร, รู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราติดสมถะมาก่อน ะกายนี่มันปวดมันเมื่อยมันหนักมันเน็บมาตั้งหลายนาทีแล้วเราก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนมันเพราะจิตของเรายัางติดยึดอยู่ว่าความสงบแต่เรายอมทรามานนะยอมทรามานแทนที่จะเข้าไปอ่าสติมาสัมปช ان ุกับมันนะเข้าแทนที่จะเข้าไปวิปัสสนามันอืมเข้าไปวิปัสนาคือไปเห็นมันชัดๆแล้วพอจะแก้ไขเพื่อให้มันตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ ความไม่สบายมันตั้งอยู่ไม่ได้โดยการเข้าไปจัดการไม่ใช่ให้มันหายไปเองถ้ามันหายไปเองเนี่ยมันหมายความว่ามันมีปัญหาแล้วเนี่ยเราต้องทำให้มันหายคือหมายความว่ามันมีการรู้ว่ามันหายไปอย่างไรแต่มันหายไปโดยที่เราไม่รู้เนี่ยบางคนบอกว่านั่งไปนานๆเดี๋ยวมันปวดแล้วมันหายเองในแง่ของรูปเนี่ยมันเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขนะตามันต้องไปไปตามกฎอันนั้น นะไอ้การที่หายเองในร่างกายมันเกิดมีการผิดปกติแล้วมันจะต้องจัดการให้มันหายอ่ะไอ้ตัวจัดการนี้เองคือการบูรณาการใช้ธรรม3มข้อคืออาตาปีสติมาสัมปชานุนะดังนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้เราทั้งหลายให้แจมแจ้งในตัวบทด้วยแล้วเจมแจ้งในวิธีการด้วยที่แล้วมาเราโฆษณาเราประชาสัมพันธ์ เราเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวอะ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ผสมภาษาในหะ้เห็นตัวบทตัวบทท่านว่าอย่างไรเนี่ยเราก็ทําไปอย่างแคะแกลนทําไปอย่างสงสัยทําไปอย่างไม่มั่นใจมันก็ทําให้การก้าวหน้าในการปฏิบัติไม่ก้าวเท่าที่ควรเราจะบอกอวิธีการนี้คงไม่ถูกกับฉันคงไม่ถูกจริญฉันนะเพราะทำ ม, มาตั้งนานแล้วมันไม่เห็นก้าวหน้านี่คือทางออกของเรามันเกินไปเป็นในทาง สร้างความคิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นในหลักการนนี้เราใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันประสานกับตรงนี้ได้อย่างไรก็คือถ้าหากเราใช้หลักการเคลื่อนไหวเราจะจัดการกับทุกธะตุมนัดได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะการเคลื่อนไหวมันเป็นหลักของการอานิจจังทุกขงังนาฏตาโดยธรรมโดยโดยโดยธรรมชาติมันอยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีเจตนาในการเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงที่มันไปเองนั่นนั้นหมายความเปลี่ยนไปตามกฎของมันแต่เมื่อไรการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถูกเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติปัญญาการเปลี่ยนแปลงตัวนั้นกลายเป็นตัวกรรมฐานทันทีเลยนะเป็นตัวอัตาปีทันทีเลยและการเข้เกี่ยวข้องตัวที่การเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องเป็นตัวสติมาได้สัมปชานูในฝ่ายกายซะก่อน ในฝ่ายรูปนามเสียก่อนนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องฝึกฝนเอาอาตาปีสติมาสเมินทั้งสามข้อมาฝึกฝนกับรูปกับนามกับกายนี่ให้ชัดเจนเสียก่อนเพราะมันเห็นชัดเพราะกายนี่เป็นรูปสามารถสัมผัสโดยประสาททั้งห้าทั้งหกได้ชัดเจนถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือวิสัยเนี่ยพุทธเจ้าท่านจะไม่ตรัสเอาไว้แต่ว่ามันมีอยู่ในวิสัยของคนทุกคนที่จะทําได้ แต่ทำไมเราจึงทำบ้างไม่ทำบ้างทำถูกบ้างผิดบ้างก็เพราะขาดองค์ประกอบสองประการอันนี้ขอดึงมาใช้ก่อนเลยเพราะมันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องในตัวต่อไปองค์ประกอบสองประการที่ท่านพูดถึงก็ได้คือหลักของปรโตโคสะและหลักของโยนิสมาณสิการหลักสองประ ก, การนี้เป็นตัวสำคัญที่จะประกบ ประกอบให้อาตาปีสติมาสัมปชัยนเนี่ยทำงานในได้อย่างถูกต้องและยังอาศัยสองตัวเนี่ยคำว่าปรโตโขสะท่านกล่าวว่าได้แก่การฟังจากคนอื่นปรโตุโขสสะเสียงจากสะท้อนจากผู้อื่นอ่าปรตุโขสะเสียงสะท้อนจากผู้อื่นได้แก่อะรก็ได้แก่กายนามิตรครูบาอาจารย์มิสายของเรานั่นเองอันนั้นเราจึงสวด บา ร, ม, ระะมิก aryana มิเตสูตรแทบทุกวันนะอนันโทพิกอนันโทที่เราสวดว่าดูก่อนอนุนการเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นทั้งหมดอัองค์ประกอบที่หนึ่งเป็นทั้งหมดของพรหมจันทรย์ดังนั้นเราก็จะต้องแสวงหาสาประการเนี่ยองค์ประกอบ องค์ประกอบอันที่หนึ่งประตูโคสยนะัยถ้าแยกเป็นสามการหนึ่งกรารยานมิตรสองกรารยาณสหายสามสิ่งแวดลอ้อมต้องหาให้เจอองค์ประกอบอันที่หนึ่งเนะี่ยคือประตูโคสยัยถ้าแยกเป็นสาประการนี้ในกรนารยาณมิตรการยานสหัยต่างกันยังไงกรารยานมิตรหมายถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงกรารยานสหายหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติร่วมกับเราอย่างเข้าใจโดยที่ไม่เกิดการขัดแย้งในหลักการวิธีการ แต่กิริยาณสัมปวังโกคือสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมในที่นั้นๆเ อ, อื้อมีทําให้เกิดความสงบทางกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกได้เรียกว่ากริยาณสัมปวังกะนี่องค์ประกอบอันที่หนึ่งคือปรตโตโคสะแยกเป็นสาประการตรงนี้ยายสับสนและสามประการนี้เรามีหรือยัง เรามีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงมาสอนเราหรือยังเรามีมิสหายที่คอยสนับสนุนการปฏิบัติให้เรามีกําลังล้วหรือยังเรามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติหรือยังอันนี้เงื่อนไขอันที่หนึ่งทีนี้เงื่อนไขอันที่สองท่านชายก็โยนิโสมนัสิการถึงแม้ว่าเราพบครูบาอาจารย์ที่ถูกที่ดีพบเพื่อนสหายมิสหายที่ปฏิบัติให้กําลังใจ และพบสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่เราก็ยังชักช้าเสียเวลาเรายังไม่ไปไหนอยู่ทั้งๆ ท, ที่เราเคยปฏิบัติในที่ดีมีครูอาจารย์แล้วแต่ว่าความก้าวหน้าของคุณธรรมของเรายังไมไปไหนขาดอะไรตรงนี้ขาดโยนิโสมนสิการอะไรคือโยนิโสมนสิการ์คำนี้ชาวพุทธหรือนักปฏิบัติของเราคุ้นเคยกันดีว่าทําในใจไว้แยบคายก็ยังฟังยากอ ย, กอยู่ คือหมายความว่าเป็นผู้สังเกตอะไรได้ละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรเบื้องต้นให้สังเกตในเรื่องรูปนามใชก่อนรูปนามที่เราสังเกตแล้วมันปวดมันเมื่อยมันขัดมันตึงมันดึ ง, ม, ดงมันเครียดเนี่ยเราจัดการมันถูกไหมจัดการจนกระทั่งว่าไอความรู้สึกหนักหน่วงเหล่านี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยเราทําได้ไหมถ้าเราทําได้นั่นหมายความว่าโยนิสูของเรามีผลลนะแต่เรายังใช้ไอี ไอ้ทุกขเวทนาเร้่มาเป็นเครื่องมือทรมานตัวเองไว้ด้วยสําคัญมันหมายว่ากิเลสของเรามันจะลดลงพุทธเจ้าทํามาแล้วนะเรื่องนีนน้สมัยท่านบาเพ็ญทุ ก, กิเลยียมาแทบจะปางตายแต่ท่านก็บอกมันไม่ใช่ทางเป็นทางของฤาษีแต่เราก็ยังมาทํากันเป็นวักเป็นเวรทุกวัน น, นั่งทีเดียชั่วโมงสองชั่วโมงโดยไม่พลิกไม่เปลี่ยนแต่เราก็นับสนับสนุนนั่งให้นั่งนานๆแต่ว่าในการสนับสนุนนั่งนานนั้นเราพริกระเปี่ยนได้ตลอดเวลาไม่ได้ว่าคุณจะต้องอยู่ท่านี้ตลอดไม่ใช่ เดี๋ยวจะผิดหลักของคําว่ามัชชิมาปฏิปทาอดังนั้นเราจะเห็นว่าทํายังไงก็ได้ขออย่าให้ว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจมันตั้งอยู่มันตั้งอยู่ไม่ได้ทํายังไงก็ได้แต่บางสํานักกับสอนว่าโอ้ถ้าคุณเปลี่ยนบ่อยๆแสดงว่าคุณไม่มีความอดทนแน่นี่มันสอนผิดนี่จะไม่ว่าเขาผิดไม่ได้อีกเนี่ยนี่คือคือยุคสมัยของเรามันเป็นอย่างนี้ ดังนั้นเองในวิธีการของเราจําเป็นต้องว่ากันให้ชัดเจนไปเลยว่าอะไรเป็นอะไรเราจะได้มีเสียเวลาดังนั้นการที่เราจะบูรณาการอาตาปีสติมาสัมปชนันได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบสองประการนี้เข้ามาช่วยคือหลักของปรโตโขโคสะและหลักของโยนิโสงมณสิการ ปรตโตโคสะคือองค์ประกอบอีกสามประการย่อยเนี่ยคือกริริยามิตรกิริายารยาห์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยห้าสิบเปอร์เ็นต์นะจะช่วยเราได้ห้าสิบเอร์เซ็นท่านั้นแต่ถ้าเราเจอแล้วอะไรที่ดีแล้วครูบาอาจารย์ดีแล้วเพื่อนดีแล้วแต่เราไม่แยบคาย อ, ะอ่ะอ่านั่งปวดกับปวดมาอยู่านั้นนั่งง่วงกับง่วงมาอ่อยอ่งนั้นนั่งฟุ้งกับฟุ้งมาอ่อยอ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเราขาดความแยบคายและความแยบคายนี้ท่านแบ่งไว้เป็นถึงสิบระดับแต่มาจำไม่ได้หมด เอาง่ายๆในภาคปฏิบัตินี่ก็คือการที่มาสังเกตอะไรเกิดขึ้นในตัวเองพอว่ามันมันจะทําให้เกิดไม่สบายกายไหมอาการที่เราทาคนนี้มันจะทําให้เกิดความไม่สบายใจไหมเนี่ยแยบคายไปนั้นแต่ถ้ารู้ว่ามันไม่สบายแล้วเราก็ยังไม่แก้ไขนั่นความแยบคายไม่พอแล้วไม่พอแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ตัวบุรณาการทั้งสมข้อเราใช้ไม่ถูก อาตาปีตัวนั้นว่าความเพียรเครื่องเผากิเลสนะไม่ใช่ความเพียรเครื่องเผาตัวเองนะความเพียรเครื่องเผากิเลสคําว่ากิเลสในตัวนั้นคือโทมนัตอ่าและนอกจากโทมนัตแล้วก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิตัวนั้นอนะ่ะคือหมายความเข้าใจผิดสําคัญรูปนี้เป็นเราสําสคัญว่ากายนี้เป็นเรา แล้วก็พยายามที่จะบังคับการนี้ให้ได้อย่างที่เราต้องการดูว่าฉันจะนั่งถ้านี้ไม่เปลี่ยนดูชั่วโมงสองชั่วโมงดูที่เป็นยังไงอันนี้ไปฝืนกฎของของขอ ง, ของธรรมแล้วกฎของธรรมของรูปกฎ ข, ของรูปคืออะไรอันนี้จังทุกข์ของหน้าตาแล้วไปฝืนกฎอันนี้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เปลี่ยนแปลงตามเขานะมันก็จะทำให้เกิดความเป็นทุกข์อ่าแล้วเราก็จะใช้ไม่ได้ ภาวะร่างกายใช้ไม่ได้ไร้สภาพล้เป็นอนัตตานะเขาว่าอนัตตานี่แปลได้ไหลายอย่างไปว่าไร้สภาพหมดสภาพพึ่งพาไม่ได้ไม่มีสาระตั้งอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยอิงกันนํามาถึงเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักอนัตตากับหลักปฏิสวดปัจจัการสัมพันธ์กันย่งใกล้ชิดทีเดียวถ้าเราเข้าใจหลักปรัชญาแล้วในช่วงของการเข้าดีทีคั่งนี้เอามาเองก็คงจะ ต้องทำหน้าที่ในการที่จะทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนในระดับของสมมุติคือการพูดการชี้แจงด้วยเหตุผลแล้วการให้เห็นตัวบทความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทที่พระ อ, องค์ตรัสเอาไว้กับหลักการที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยให้สัมพันธ์กันทำให้า <c oughs> ดีที่สุดเท่าที่ สามารถจะทำได้ <c oughs> ส่วนจะเกิดผลแค่ไหนนั้นไม่ได้หวังแต่ว่าขอให้ทำในจุดนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองา50เอร์ซ็จะทำดีแค่ไหนพูดได้ละเอียดแค่ไหนก็50อร์เซตแต่อีก50เปอ็นเป็นของเราคือยูนิโสมนานสิการแต่อามาก็ทำหน้าที่เป็นกระดิธีให้มากที่สุดตามความสามารถที่จะมีได้นะคือการชี้แจงการแก้ไขทำให้เจ่มแจม้งชัดเจนในตัวบท แล้วก็ตรงไหนไม่เจมแจ้งไม่ชัดเจนไม่มกากพอก็ให้มีการซักถามนะตอนเย็นมาจะมีจะมีการซักถามมีการตรวจสอบช่วงเช้ามาเป็นการอธิบายให้ตัวบทช่วงเย็นจะเป็นการซักถามนะจะเป็นอย่างนี้แตอนกลางวันก็ก็คือปฏิบัติมีญาติโยมมาก็ก็ปฏิบัติญาติโยมไม่มาพระก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ แล้วเราก็คิดว่าภายในเจ็ดวันเราจะทําเรื่องนี้ดูตั้งแต่วันนี้ไปแต่ถ้าหากว่ามีคนมาเพิ่มมาปฏิบัติล่าที่หลังก็อาจจะขยายเป็นสิบวันก็ได้นะดังนั้นเองเราต้องมาทําให้มันถูกต้องดูนะไม่ถือว่าเป็นการทุกข์ทรมานเพราะเรารู้ว่าเราจ้อต้องแก้ไขทุกอยู่แล้วมันจะทุกได้ไงนะเบื่อมันเป็นทุกไหมทุกก็แก้ไขมันสิให้มันตั้งอยู่ไม่ได้ใช่อะไรก็ใช้ทําสามการมาบูรณาการเข้าไป มาใช้วิปัสสนาด้วยหลักสามประการเข้าไปมันเซ็งมันเบื่อมันหิวมันกระหายมันปวดมันเมื่อยมันเอาตัวสามประการมาบูรณาการใช้ให้ได้แต่ถ้าหากว่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรหาเหตุต่อไปนะหาเหตุต่อไปความขี้เกียจความเซ็งความอึดอัดขัดเคืองความไม่สนุกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนหลแล้วผลที่ออกมามันจะไม่เสียเวลานะ นั่นในช่งชวงเช้านี้อาตมาก็ได้ทําหน้าที่ตรงนี้เอาไว้ในบทแรกถือว่าเป็นบทที่หนึ่งทีเดียวแล้วตลอดเจวันนี้จะไปถึงไหนก็แล้วแต่แตเจ้าเขาให้ได้เข้าใจว่าเป็นเจตนาเพื่อที่จะเพราะในไหนมันกะยะ็ยจออกพรรษาแล้วเนี่ยต้องทําเรื่องตัวบทดีให้แจ้งเป็นหลักเอาไว้เพื่อคนรุ่นหลังติดตามมาฟังมาศึกษาถ้าเขามีอินทรีย์มีปัญญา ดีพอสมควรเขาก็อาจจะได้รับผลอ น, นิสงของการได้ฟังธรรมเทศนาหรือการบรรยายชุดนี้ก็ได้ก็ขอให้เราทั้งหลายที่ตั้งใจทงนี้จงได้รับผลสําเร็จในเรื่องนี้ก็ขออนุโมทนาหลับพราบ่าพร้อมกัน